แล้วก็รัตนะทั้ง7อย่างเนี่ยนะถ้าหากว่าพระจกักรพรรดิไม่มีบุญจริงก็ไม่มีอำนาจจะดูแลจะปกครองสิ่งทั้ง7ประการได้เพราะแต่ละอย่างนั้นเป็นสมบัติของผู้มีบุญของดีทั้งหลายเนี่ยนะจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วเครืหาบดีแก้วปรินายกแก้วเนี่ยนะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยของผู้มีบุญเพราะาผู้มีบุญจริงๆเนี่ยนะ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 พระโพธิสัตว์ทั้งหลายถ้าหาว่าพระองค์ครองเรือนพระองค์จะสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจดประการและพระองค์นั้นดํารงอยู่โดยกุศลกรรมบททั้งสิประการโดยไม่เปื้อนบาปนะั่ะเคยผู้ที่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยนะคติชาติหน้า น, านี้แน่นอนคือสวรรค์ชั้นดาวบดึงแน่นอนก็เนื่องจากว่าพระองค์นั้นดํารงอยู่โดยจักรวัติวัดนั่นะนะเขาเราียกว่าวัดของพระเจ้าจากักรพรรดิ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 เป็นหูเป็นตาช่วยดูแลให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นกันหมดเพราะแผ่นดินเนี่ยถ้าจะสงบร่มเย็นก็ต่อเมื่อผู้มีบุญดูแลและปกครองเพราะถ้าหากว่าไม่มีผู้มีบุญปกครองบ้านเมืองก็ระส่ำระสายมีแต่ความวุ่นวายทีนี้พูดถึงว่าผู้ที่ประกอบด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการเนี่ยนะถ้าหากว่าพระองค์ออกบวช เป็นบรณประชิตคือเป็นผู้เว้นจากบาปด้วยกายวาจาและใจนั้นจะได้เป็นพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ก็คือผู้ไกลาจากกิเลสผู้กําจัดท่าศึกคือกิเลสผู้หักซี่กรรมแห่งสังสารัจผู้ควรเครื่องสการะบูชาผู้ไม่มีความลับในการกระทําบาปเป็นต้นนั่นเองแล้วก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องโดย พระองค์เองเนี่ยนะก็คือผู้ที่มีพระสัพพัญยุตยานเป็นต้นเพราะว่าพระองค์นั้นเปิดหลังคาคือราคะโทสะโมหะหลังคาคือบาปอากุศลรธรรมได้หมดสิ้นแล้วทีนี้เหตุผลที่ที่กล่าวพยากรณ์ว่าพระราชกุมารเนี่ยนะพระราชกุมารของพระเจ้าพันธุมะเนี่ยนะ สามารถพยากรณ์ว่าบุรุษผู้นี้ถ้าครองเรือนจะได้เป็นจักรพรรดิถ้าออกบวชจะเป็นบนรรพชิตนั้นเหตุผลก็มีอยู่ต่อไปว่าขอเดชะก็พระราชกุมารนี้ประกอบด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการเหล่าไหนอะไรละ่ะเป็นเครื่องหมายบอกบอกว่าบุรุษผู้นี้จะมีความสำเร็จเป็นสองอย่างเท่านั้น น, นะอะไรเป็นเครื่องบ่งบอกว่า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 หรือว่ามณีรัตนะอิทธีรัตนะเครือหบดีรัตนะและปรินายกรัตนะเป็นที่7พระราชบุตรของพระองค์นั้นมีมากกว่าพันแต่และองค์นั้นล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีศรนาของข้าศึกได้พระองค์นั้นชนะโดยธรรมปกครองโดยไม่ต้องใช้อาจยาคือการปรับสินไหมโดยไม่ต้องใช้ศาสตราเครื่องประหารทิ่มแทง โปรง่งครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขต น, นี้หมายว่าถ้าพระองค์ครองเรือนถ้าหากว่าเสด็จพนวดบวชเป็นบนรรปชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเหตุผลก็เนื่องจากว่าพระองค์นั้นมีพระมหาปริศลักษณะ32ประการขอเดชะก็พระราชกุมาร น, นี้มีพระบาทปริดิษถานเป็นอันดีแปลว่ามีพระบาทเนี่ยเสมอกัน ค่าแต่สมมุติเทพการที่พระราชกุมาร น, นี้มีพระบาทประดิษฐานเป็นอันดีนี้เป็นมหาปริศลักษณะของพระมหาบุรุษข้อที่หนึ่งนนะต่อไปขอเดชะก็พระราชกุมาร น, นี้เนี่ยนะมีพื้นใต้ฝ่าพระบาททั้งสองของพระกุมารเนี่ยมีจักซึ่งเกิดขึ้นมีซี่กรัมข้างละพันเรียกว่าฝ่าพระบาททั้งสองเนี่ยเป็นเป็นเหมือนล้อกเกวียนนะ เป็นจักแล้วก็มีซี่เป็นพันๆก็คือมีลายมือพิเศษอเออขอลายฝ่าเท้าที่พิเศษมากเป็นรอยจักว่าน้นเป็นรอยจักเนี่ยเป็นเป็นพันซี่มีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงข้าแต่สมมุติเทพแม้การที่พื้นภายใต้ฝ่าเท้าเออฝ่าพระบาททั้งสองของพระราชาชกุมารนี้มีจักเกิดขึ้นมีซี่กำข้างละพัน มีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงนี้ก็เป็นพระมหาปริศลักษณะของพระมหาบุรุษนั้นเพราะว่ารว่าไม่ใช่ว่าซี่ตัวตั ว, ตวจักที่อยู่ในฝ่าเท้าเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมีความเสียหายบกพร่องอันนี้มันสมบูรณ์แบบทั้งหมดเนี่ยอันนี้เหตุผลอันหนึ่งละที่สามารถทำให้ประสบความสำเร็จนะทำมถ้าครองเรือนจะได้เป็นจกักรพรรด ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปก็พระองค์มีส้นพระบาทยาวข้อสามนะข้อสี่พระองค์มีพระองค์คูลียาวห้ามีฝาพระหัตถ์และฝาพระบาทอ่อนนุ่มหมีฝาพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายดุจตาข่ายเจ็ดมีพระบาทเหมือนสังขวมปดมีพระชงเรียวเนี่ยนะดุจเนื้อแข้งทราย แล้วก็ดุดแข้งเนื้อซายนี่นะเกพระองค์เนี่ยสถิตยืนอยู่ก็มิมมไม่ต้องน้อมหรือก้มลงอัลฟาพระหัตต์รูปคลำได้ถึงพระชานุคือเขาทั้งสองเศมีพระคุยหะเรนอยู่ในฝักส1บอมีพระชวิวันผิวพันดุดผิว่วว่าดุดสีแห่งทองคำคือมีพระตาจะคือนหนังเนี่ยประดุดหุ้มด้วยทองกล่วว่าเหมือนพระปิดทองว่างั้นเถอะ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 พระโลมชาติคือขนนั้นมีขนสีเขียวผิวทองขนสีเขียวมีสีเหมือนดอกอัญชันขดเป็นกุลทนทักษิณาวัตรนะขนทุกขนเนี่ยจะเวียนขวาเวียนขวาแล้วก็สีเหมือนดอกอัญชันสีเขียวเนี่ยนะสิบห้าพระองค์นั้นมีกายตรงเหมือนกายพรมสิบหกมีพระมังสะเต็มในที่เจสถาน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 20มีลำพระสอกลมเท่ากันเนี่ยนะคอเนี่ยกลมกลมข้างบนข้างล่างเนี่ยกลมเสมอกัน21มีปลายเส้นประสาทสําหรับนํารสอาหารอันดีหมายคําว่าลิ้นเนี่ยนะเป็นลิ้นชั้นพิเศษเป็นลิ้นที่รับรสอาหารได้อย่างดี22มีพระหานุดดคางราชศรีคือคางของพระองค์เนี่ยเป็นคางอย่างดีเป็นคางเหมือนกับคางราชศรี 23. มีพระทนคือฟัน44 24. มีพระทนคือฟันเนี่ยเรียบเสมอกัน 25. เนี่ยนะมีพระทนคือฟันเนี่ยไม่ห่าง 26. มีพระทาฐะขาวงามคือเขี้ยวของพระองค์นั้นขาวแล้วก็งาม 27. มีพระชิวหานี่ใหญ่คือลิ้นของพระองค์นั้นเป็นลิ้นที่ใหญ่ 28. มีพระสุรเสียงดุดเสียงแห่งพรมพระองค์นั้นตรัดมีสำเนียงดังนกกระเวก ยี่สิบเมีพระเนตรเนี่ยดำสนิทส0มสิบมีดวงพระเนตรดุจ ด, ดวงตาแห่งโคสามสิบเอ็ดมีพระอุณาโลมบังเกิดณนะระหว่างแห่งพระขนงมีสีขาวอ่อนควรเปรียบด้วยนุ่นก็คือมีขนที่หน้าผากะตรงพระหน้าผากเนี่ยเป็นสีขาวระหว่างคิ้วกันะสามสิสองมีพระเสียนดุจประดับด้วยกรอบพระพัก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 อธิรัตนะอัศรัตนะมณีรัตนะแล้วก็อิทีรัตนะเครหบดีรัตนะปรินายกรัตนะเป็นที่เจ็ดราชบุตรราชบุตรของพระองค์นั้นมีกว่าพันองค์ล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ายีเสนาของข้าศึกได้พระองค์นี้ทรงชั้นะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตรา ครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขตถ้ า, ากว่าพระองค์สร็จออกผระหนดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสั ม, มาสามัมพุทธเจ้าทรงเปิดหลังคาคือกิเลสแล้วในโลกอธิบายตามลำดับมหาปริศลักษณะ32ของพระมหาบุรเนี่ยนะบุตผู้ยิ่งใหญ่ผู้สมบูรณ์ด้วยชาติด้วยตระกูลด้วยผิวพันธ์นะด้วยซั์เป็นต้นนั่นเองเรียกว่ามหาบุตเนี่ยนะ บรุรพษอมีมีความยิ่งใหญ่เกิดในตระกูลที่ยิ่งใหญ่อยู่ในประเทศที่ยิ่งใหญ่บทว่าสุปฏิทิตะปาโทเนี่ยนะที่บอกว่ามีพระบาทประดิษฐานเป็นอันดีเป็นพระบาทที่เสมอการเรียบคือพระองค์นั้นเป็นเป็นบุคคลที่ไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเนี่ยนะเวลาวางเท้าลงบนแผ่นดินเนี่ยนะปลายฝ่าเท้าส้นเท้าหรือข้างหน้าเท้าเนี่ย